พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยแปดลำดับที่สิบหกโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนทานีแสดงธรรมในวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าอหกสิบในชื่อเรื่องว่าอยาคิดมาเข้าวัดตอนแก่อลูกหลานอยู่ในความสงบรู้สึกว่า พยาแถนปล่อยฟ้าปล่อยฝน ล, ลงมาสามวันสามคืนแล้ะมันไม่เคยมีเมื่อสี่ปีให้หลังฝนไม่เคยมีอย่างนี้นะหนึ่งในปีที่ห้าปีนี้เป็นเน่งพ่อเห็นฝนปีนี้แล้วฝนตกสามวันสามคืนเนยยังไม่เคยมีนะลูกหลานนะ สามสี่ปีให้หลังแต่ที่น้ำท่วมวัดเราอันนั้นแปลว่ามันตกเดือนพฤศจิกาปี่ห้าเก้าแต่ต้นปีก็ไม่มีฝนอีกเหมือนกันตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด สามสี่ปีให้หลังฝนไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีเลยแต่พอมันตกตกปีห้าเก้าเรือนพฤติการมันตกทางภาษาทั้งอีสานคาระบบมันพาโลกมนไปมันพาโลกมันพานไปไม่น่าจะตกมันก็ตกอย่างแรงไลยน้ําจนท่วมวัดกําแพงเราพัง <c oughs> แต่วันนี้ก็เห็นมหมเนี่ยกําลังเล่งลงอย่างขนาดหนักเลยเนี่ย วันนี้เป็นวันวันพระหัสที่ส8พุปดพฤษภาคมพุทธศักราช2560้ากวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนหวันวิสาขบูชาก็ผ่านมาได้เจดแปดวันวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเอ ถึงฝนจะตกแดดจะออกคุณงามความดีของเราอย่าได้ล้าถอยเราควรคุณธรรมคุณงามความดีโดยสม่าเสมอและกับพร้อมกันถึงฝนจะตกแดดจะออกอย่างไงวันคืนวันเืนเดือนปีก็ผ่านไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็แก่ไปเรื่อยๆอีกเหมือนกัน ถ้าเป็นเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีผู้มีบวชใหม่ก็พรรษากามากขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ถอยหลังด้ยนั้นก็ให้พวกเรานึกดูทบทวนดูประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆสิ่งไหนจะคือคุณงามความดีแล้วก็เป็นผู้น้อยผู้หนุ่มก็จะตั้งอยู่ในความประมาท ให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิต ใ, ใจของพวกเราไม่ใช่ว่าบางคนอโอ้ยผมยังน้อยนมอยู่เกษียนอายุราชการมีเวลาผมจะจะเข้าวัดอันนั้นแปลว่าคิดผิดนะในความเห็นของหลวงพ่อพอมีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วจะเข้าวัดบางทีสุขภาพไม่ดีแล้วตุ้มตุ้มตั้ๆ เดินที่ไหนก็สุ่มๆุ่มซๆ ม, มันไม่มันไม่คล่องแคล่วเหมือนสมัยเมื่ อ, อยังน้อยหนุ่มเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเมื่ออายุออผ่าน60ปีอายุกเกษียณจะก่อนจึงจะเข้าวัดนั้นแปลว่าพวกเราคิดผิดนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะขอเตือนเอาไว้ควรจะเก็บพร้อมลอมฤตไปทีละน้อยละน้อย ศึกษาธรรมะทำคำสอนนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่อายุ อ, ายอย่างน้อยเนี่ยแหละดีกว่ า, าไม่ใช่ว่าอายุมากแล้วจะมาหักผมปั่นปลายของอชีวิตอ า, อาจจะผิดหวังก็ได้นะาบางตนก็ผิดหวังเพราะเหตุไรเพราะว่าสุขภาพไม่ดีแต่ถึงยังไงถึงจะดีก็เถอะอายุ60ปีแล้วนะ ไปที่ไหนก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนกับเหมือนสมัยน้อยหนุ่มเพราะนั้นให้พวกเราเรื่อเริ่มตั้งแต่สมัยน้อยหนุ่มนี่แหละประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่ จ, จิตใจในเมื่ออายุมากขึ้นมาแล้ว เ, เ, เราจะรู้จกักแก่ท่านละคนแก่จะรู้ได้ไม่ต้องถามใครแกนั่นแหละจริงจะรู้ ก็รู้ได้ด้วยตนเองนะการแกนะ่แต่สมัยน้อยหนุ่มเราก็คงเจะวาดหวังฝึกเมื่อแก่ขึ้นมาแล้วคงอยาเป็นอย่างนั้นคนจะเป็นอย่างนี้นะแต่พอแก่ขึ้นมาแล้วเรารู้ได้ว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงไหวไหมาการเดินเหินไปที่ไหนการหลับนอนอาการทานเอาหงอาหาร รู้สึกความมันเชื่องช้าไปทั้งหมดเก็บไข้ได้ป่วยอิกต่างหากไม่น่ากลัวก็ปวดปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดเวียนศรีรษะปวดเสียนเวียนก้าวมันสารพัดเข้ามาเพราะแก่เวราะนั้นผู้ใดผู้ที่แก่แล้วจึงจะรู้นะถ้ายังไม่แก่นะยังไม่รู้ลูกหลานถ้าพวกเราลูกหลานแก่อย่างลุงพ่อนะแก่ขนาดนี้้องพ่อรู้เลย หลวงพ่ออินเนี่ยรู้แล้วว่าแก่นี่คืออะไรเป็นยังไงเพราะนั้นลูกหลานเดินตามหลังลวงพ่อไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เดินเดินตามหลังคนแก่อีกไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันแต่ลวงพ่อแต่หลวงพ่อเองอเป็นผููกล่าวถ้าคนไม่พูดไม่กล่าวเฉยๆก็เดินหลําหลับหูหลับตาเดินตามหลังกันไปแต่นี้ลวงพ่อเดินตามหลังไปด้วยแล้วก็มองซ้ายมองขวา มองหน้ามองหลังสังเกตสังกาเออคนแก่นี่เป็นอย่างนี้หนอก็หลวงพ่อก็ต้งว่าเก่าย้าเตือนให้พวกเดินตามหลังให้ระ ว, วยงระ ว, วังนะเนอะแต่มาถึงจุดนี้แล้วออมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะออแล้วก็ให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ถ้าพวกมีปัญญาเป็นนักสังเกตพอได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเออใช่ เราจะคิดว่าเราจะอายุแก่ซะก่อนจึงจะเข้าวัดเข้าวา่าจึงปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเราควรจะคิดใหม่ได้แล้วนะอันนี้ก็คือผู้สังเกตผู้มีปัญญานะถาว่าผู้ที่ไม่เชื่อฟังไปอย่างว่านะั้นดันทลังไปจนหนึ่งถึงที่โน้นเมื่ออายุแก่ขึ้นมาจึงระลึกคาถึงคําพูดหลวงพ่ออินบ่กโอ้ใช่หลวงพ่ออินเคยพูดมาแล้วแต่เราไม่ฟังแต่พอมันแก่มันเป็นอย่างนี้จริงจริงนา อะไรก็ไม่ไม่ทันท่วงทีการประพฤติปฏิบัติสติปัญญาก็เชิงช้าความคิดก็ไม่วดไม่เร็วไวเหมือนแต่ก่อนการบริหารจัดการกับตนเองการบริหารอยากจะทําบุญทําทานก็ไม่เหมือนแต่ก่อนเราเชิงช้าไปทั้งหมดอันนี้จะเป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเราจะต้องคิดนะคณะสัตยา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกคนนะอันนี้เป็นการกล่าวย้ําเตือนให้พวกเรา ได้รับรู้รับทราบว่าสมัยน้อยหนุม่มเราควรปฏิบัติศินปฏิบัติธรรมแล้วก็ความแก่ของเราเนี่ยแก่ตัวนี้นะ่ะให้พวกเราฟังเอาไว้นะถึงยังไงไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้แต่ก่อนหน้านี้หลวกพ่อพูดถึงความตายนะแก่ก็แก่ไปหาความตายนั่นแหละแต่ลพอไม่พูดถึงความตายพูดถึงแต่ความแก่วันนี้นะ่ะ อ่ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้ก่อนร้อฝนเล่งแล้วเกิเนี่ยเห็นไหมเสียงสนานวันไหวลูกลานเลยรับพรในสนีน้า